พวกเราก็ยังเก่งนะการเมืองไม่ทําให้จิตพวกเราเศร้าหมองมากนักใช้ได้นะก็แต่ละคนก็มีหน้าที่นะมีหน้าที่หน้าที่ในฐานะพลเมืองไปดูแลบ้านเมืองตำรักรัฐศาสตร์ผู้ปกครองที่ฉลาดต้องไม่ทําให้คนเกลียด ถ้าผู้ปกครองทำให้คนเกลียดนะคนเขาจะสู้ทำให้กลัวได้นะจะทำให้เกลียดไม่ได้ผู้ปกครองไม่มีหลอกที่อมตะอะไรๆก็อยู่โชคลาภมีหน้าที่ดูแลนะก็ดูไประบบ มันไม่สามารถดูแลบ้านเมืองแทนพวกเราได้เราก็ต้องช่วยกันดูในฐานะชาวพุทธเราก็มีหน้าที่ของชาวพุทธเหมือนกันหน้าที่สองอันนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันอย่างชาวพุทธมีหน้าที่ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่เบียดเบียน ตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นปฏิบัติต่อผู้อื่นนะในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันงันบางทีเราเรียกร้องนะให้คนอื่นเข้าเคารพความเป็นมนุษย์ของเราบางทีเรียกไปเรียกมาเราก็ลืมว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันทีเราก็ไปใช้ความรุนแรงกับเขาใช้ความเกลียดชัง เนี่ยเราคอยดูจิตดูใจของเรานะนี่เป็นเวลาทดสอบว่าที่เราภาวนามามันได้ผลแค่ไหนที่เรารักตัวเราเองนะคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็รักตัวเขาเหมือนกันการใช้ความรุนแรงเลยรนะ ม, นมันก็เพิ่มความรุนแรงเพราะเขารักตัวเองเขาก็ต้องสู้เหมือนกัน วิถีของชาวพุทธเราก็ไม่รุนแรงการปกครองที่ดีที่สุดก็ปกครองด้วยกฎหมายแต่กฎหมายบางทีก็ไม่เบี่ยงเบนไปตัวนี้เราต้องช่วยกันดูอย่าให้เสียหลักของธรรมะในการปกครองยังไงก็ต้องรักษาธรรมะไว้อย่างพวกเราบางคนก็ แต่ความหมายธรรมะผิดนะอย่างเรื่องทางสายกลางทางสายกลางมันเป็นทางดำเนินจิตไปสู่ความหลุดพ้นไม่ใช่กลางระหว่างดีกับชั่วนะชั่วต้องไม่ทำดีต้องทาทางสายกลางไม่ใช่กลางระหว่างดีกับชั่วดีก็ได้ชั่วก็ได้ไม่ใช่กลางระหว่งววา ง, วงถูกกับผิดถูกคือถูกผิดคือผิด แต่ว่าใจเราใช้เหตุผลนะไม่ได้ใช้ความรักความเกลียดเข้าไปตัดสินสิ่งต่างๆเหตุผลของเราคนเดียวไม่พอต้องรู้จักฟังคนอื่นด้วย mm hmm. เหตุผลของเราคนเดียวก็ผดดเด็จการคนเมียมนานานๆกลายเป็นผดเด็จการโดยไม่รู้ตัวน่าสงสาร mm hmm. ก็แือเข้าวงรอบ ของความเสื่อมอำนาจไปเสื่อมความนิยมเงื่อนการที่พวกเรานะไปลงชื่อไปเป่านกวีดไปเอ็กซเซอร์ไซส์อะไรต่อะ <c oughs> แต่จิตของเรายัางรักษากันไว้ได้นะก็โอเคเราอยังได้อยู่เวลามีปัญหาเกิดขึ้นเป็นเวลาทดสอบ การปฏิบัติที่เราทำมาเวลามีปัญหานะกะทั่งเรื่องส่วนตัวเราพลัดพลากจากคนที่เรารักอะไรเนี่ยใจเราเป็นยังไงเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจใจเราเป็นยังไงเราไม่สมหวังแล้วใจเราเป็นยังไงถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วนะก็ไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงก็เพิ่มก็กระเพิ่มน้อย เวลาเจอบทเรียนทางร่างกายตีนกาขึ้นใจเราเป็นไงขึ้นอันแรกเนี่ยสั่นสะเทือนมากนะผมหงอกเส้นแรกเนี่ยเจ็บช้าที่สุดเลยนึกออกไหมวันที่มีผมหงอกเส้นแรกที่เจอรู้สึกเป็นไงชื่นใจไหมได้อยู่มานานแล้วอื ม, มีบุญเรามีบุญนะอยู่มันได้ตั้งนานแนะแสดงว่าเราเบียดเบียนสัตว์ไม่มากอยู่มาจนหัวงอกเลย ร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราอย่าพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราฝึกมามันได้ผลแค่ไหนยังไปตรวจร่างกายประจำปีเป็นมะเร็งเไม่มีสายล่วงหน้าให้รู้เลยใครตรวจร่างกายทุกปีบ้างมีไหมเยอะเหมือนกันเวลาตรวจแล้วสบายใจไหมก่อนตรวจ บางคนนะพยายามลดอาหารเพ <c oughs> ื่อไขมันจะลดลง <c oughs> พยายามหลอกหมอนะหมอก็าพยายามคิดวิธีตรวจตัวอื่นมาทดแทนเอ <c oughs> ้นิ่มแกล้งอดสองสามวันอะไรเงี้ยเป็นการต่อสู้กันระหว่างเรากับหมอ <c oughs> <c oughs> ก่อนจะไปตรวจร่างกายนะก็เครียดเนาะแล้วก็รอผลยิ่งผลบอกมีชิ้นเนื้อ แต่ก็ต้องไปตรวจชิ้นเนื้ออีกทีว่าร้ายไม่ร้ายนี่อูย้ยิงกลุ้มใจหนักคราบอีกถ้าใจไม่ได้ฝึกนะกลุ้มใจทุกข์มากเใจที่ได้ฝึกดีแล้วก็รอฟังฝลเาสมมติ ว, ว่ามันเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายจะตายแล้วก็ยังอิ่มใจว่าชาตินี้ถึงจะตายเร็วไปหน่อยแต่ว่าไม่เสียชาติเกิด ชาตินี้ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสำคัญมันยกระดับใจเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งถึงฝั่งของพระนิพพานในวัฏฏะที่ยาวนานเนี่ยถ้าเรามีทิศทางที่จะต้องมีจิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งต้องพ้นไปเพราะนั้นถ้าชาตินี้จิตใจของเราได้พัฒนาขึ้นถึงจะตายเร็วหน่อยก็ถือว่ากําไรละ ถ้าจิตใจไม่เคยพัฒนาเลยชาตินี้ก็ขาดทุนอีกขาดทุนนะั้นต้องไปใช้หนี้หนักมากขึ้นในชาติต่อต่อไปนั่นอย่างพวกเราเนะเกิดมาเป็นมนุษย์มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าใกล้สัตบุรุษได้ฟังธรรมของสัตบุรุษธรรมของสัตบุรุษสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้านะ เราสนใจธรรมะเราศรัทธาธรรมะของท่านมาฟังธรรมะของท่านน้อนำธรรมะไปปฏิบัติเนี่ยชีวิตเราสูงขึ้นตลอดเราได้ต้นทุนที่ดีมีร่างกายมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบชีวิตเราไม่ลำบากเกินไปไม่ใช่บางคนลำบากมากนะหาอยู่หากินไม่พอกินสักวันหนึ่งหิวตลอดเนี่ยพอนายาก พวกเราถึงจนหน่อยบางคนจนหน่อยก็ไม่ถึงขนาดอดนะอดก็เป็นคราวๆไม่ใช่อดนิรันดรจนไม่มีแรงภาวนาเนี่ยเรามีต้นทุนที่พอดีแล้วลนะ่ะต้นทุนที่ดีบางคนไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจก็ดีใหญ่สุขภาพร่างกายก็ยังพอไหวเรามีต้นทุนเราก็มาหากําไรให้กับชีวิตแล้วนะ พาร่างกายจิตใจที่เป็นต้นทุนเดิมของเรานะเามาปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากเหยียอะไรหรอกถ้าเรารู้วิธีคนสมัยพุทธกาลไม่ได้ฉลาดกว่าพวกเรานะแต่พวกเราก็ไม่ได้ฉลาดกว่าคนรุ่นนั้นสมองไล่เรียกกันอย่างใครเคยอ่านงานเขียนของพวกกรีกโบราณ น, นะรู้พวกนี้ฉลาดมากนะสามพันกว่าปีก่อนอนะไรเงี้ย หรือคนจีนหลายพันปีก่อนเขาไม่ได้โง่กว่ารุ่นเรานะไม่ใช่มนุษย์ยุคนี้พัฒนาแล้วสมองดีกว่าเก่าไม่ใช่หรอกไม่มีนัยยะที่จะแตกต่างอะไรที่ชัดเจนพวกเราไม่ได้มีต้นทุนที่เป็นรองคนสมัยพุทธกาลหรอกแต่บุญบารมีอาจะน้อยกว่าเขาไม่ได้ฟังธรรมตรงจากพระพุทธเจ้า แต่คนที่ฟังทำตรงจากพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ดีเสมอไปตกนรกก็มีเทวทัตก็ฟังเยอะนะจนสามารถเทศได้ถึงขนาดอาสาพระเจ้าขอเป็นศาสดาแทนแล้วเขาก็รู้หลักธรรมมาเยอะเหมือนกันเทศได้ดังนนถึงเราไม่เจอพระเจ้านะคิดอีกแง่หนึ่งว่าใจของเราหยาบๆยานี่ไม่เจอได้ก็อาจจะบุญนะถ้าเจอตอนนี้จะเป็นเพื่อนเทวทัตอยู่ ระหว่างกุศลอกุศลอะไรเกิดบ่อยพวกเราใครใครอกุศลยังเกิดบ่อยกว่ า, ากุศลพวกที่ไม่ยกคือพวกที่ไม่เห็นนั่นแหละจริงๆแนละ้วอกุศลเกิดเร็วมากเลยใจลอยก็อกุศลละโมหะเยังถึงเราไม่เจอพระเจ้าไม่เป็นไรนะเราจะได้ฟังธรรมะของพุทธเจ้าท่านให้ธรรมะเป็นตัวแทนของท่าน ไม่ได้มอบให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนท่านนความลึกซึ้งของท่านน ะ, ะธรรมะก็จัดสรรอย่างดีเลยให้พระสารีบุตรให้พระมหาโมคลานะนิพพานก่อนถ้าสององค์นี้นิพพานหลังพุทธเจ้าพวกพระจะเฮไปหาสอ ง, องค์นี้มั่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสืบทอดขึ้นมามท่านนิพพานไปก่อนตามธรรมเนียมพระสาวก อัครสาวกจะต้องนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอย่างนั้นนี่ลอยกระทงลอยกระทงเนี่ยวันที่พระสารีบุตรนิพพานนะลอยกระทงพวกเราก็เฮฮาคาจริงควรเด็กคิดถึงพระสารีบุตรนะ <c oughs> ไปลำวงลำเวงเดี๋ยนี้ยังมีไหมลำวงลอยกระทง <c oughs> ยังลำอยู่นะือ <c oughs> พุทธเจ้าให้ธรรมะ เป็นตัวแทนท่านธรรมะของท่านยังอยู่เพราะงั้นมันก็เหมือนเราได้เฝ้าพระุทธเจ้าอยู่เวลาใจของเราเคล้าเคลียกับธรรมะเวลามาฟังธรรมะเนี่ยคือเป็นเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราเข้ามาด้วยความเคารพสมรวมระวังอ่อนน้อมต่อธรรมะน้อมน ำ, นำธรรมะไปฝึกจิตใจของเราในขั้นของการลงมือปฏิบัติ มันอยู่ในกรอบของคาว่ารู้ทุกนิ่ถ้าเราต้องการมรรคผลนะกรอบของการว่ารู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือรูปนามขันหนี้หน้าที่ของเราคือรู้ความจริงของรูปนามขันหของกายของใจนี่เองนี่แหละกรอบขอบเขตของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้แต่การที่เราจะมารู้ทุกรู้ความจริงของรูปนามขันได้เราจเจริญมรรค มากมีองค์แปดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเองศีลคือการที่คอยควบคุมนะคอยควบคุมใจของเราไม่ให้ไหลาตามกิเลสสมาธิเนี่ยข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจเหนือใจปัญญาเนี่ยเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนหมดกิเลส ศีลเป็นเครื่องมือที่เราเอาไปใช้สู้กิเลสที่รุนแรงเราสู้ด้วยกําลังของสมาธิด้วยปัญญาไม่ไหวขณะนั้นสมาธิกับปัญญาหนีไปหมดละกิเลสรุนแรงมากสู้ไม่ได้โดยสมาธิด้วยปัญญาก็าต้องสู้ด้วยศีลศีลคือเจตนาตั้งใจงดเว้นการทํำ บ, บาปอกุศลทางกายวาจาใจนั้นถูกกิเลสคลองไปแล้ว กิเลสมีฤทธิ์มากมีอํานาจมากกดขี่ครอบงําจิตแจ้งเราไปแล้วอาศัยเจตนาให้เด็ดเดียวว่าเราจะไม่ทําผิดทางกายทางวาจาด้วยอํานาจของกิเลสที่มันบงการใจของเรานี่เป็นเครื่องมือที่สู้กิเลสที่หยาบหยาบตั้งเจตนาไว้ยัการตั้งเจตนาไม่ต้องไปขอจากพระก็ได้นะ เราตั้งของเราเองตื่นนอนมาก็ตั้งใจเลยว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าตั้งเวลาหลายๆรอบก็ได้ก่อนจะไปกินข้าวของวันก็ตั้งใจรักษาศีลห้าเผื่อแม่ค้าทอนตังผิดทอนตังเกินอะไรจะได้ให้เขาคืนได้ก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจรักษาศีลห้าก่อนจะนอนก็ตั้งใจตั้งใจไว้ว่าคอยเตือนตัวเองว่าเราจะต้องรักษาศีลห้าไว้ ถ้าเรามีเจตนาที่แน่วแน่ว่าเราจะรักษาศีลนั่ะศีลมันก็จะมีเวลาความโกรธมันรุนแรงขึ้นมาเราจะต่อยเขาละหรือจะตบเขาละเราก็นึกได้ว่าเราตั้งใจไว้ว่าเราจะรักษาศีลห้าเขาไม่ทำํำข่มใจไว้เป็นการข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลส ศีลเลยเป็นเครื่องข่มใจของเรานี่พอเราข่มกิเลสนะกิเลสมันก็มีความเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันมันได้แรงไม่ได้ตลอดหรอกบางช่วงก็ไม่แรงมากไม่เป็นราคาโทสะโมหะแรงๆขึ้นมาเป็นแค่นิวรณ์ทำให้ใจฟุง้งซ่านเป็นกิเลสระดับที่ทำให้ใจฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านไปในกามเรียกว่ากามเป็นฉันทะนิวรณ์กามก็คือ ความเพลิดเลนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายฟุ้งไปในพยาบาทความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายฟุ้งไปในอุทัจจะกุกุจจะการที่จับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนหดหงิดลำคันฟุ้งซ่านแล้เม็นต้องลำคันใจต่อ ฟุ้งซ่านไปคิดไปในเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เกิดลังเลสงสัยขึ้นมาเนี่ยเรื่องของฟุ้งซ่านฟุ้งมากๆเข้าก็ซึมไปเลยเป็นทีน้ำมิทะนิวรน์นะี่ถ้าดูให้ดีนะเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านของใจยังไม่ถึงระดับราคะาโทสะโมหะแรงๆเมื่อใจมันฟุ้งซ่านเครื่องมือที่จะสู้กับความฟุ้งซ่านก็คือสมาธิ นิวรนเนี่ยถือเป็นกิเลสระดับกลางกิเลสระดับกลางคือมีความเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่มีดอกผลที่รุนแรงใจเริ่มฟุ้งๆยังไม่ถึงขนาดกลายเป็นกิเลสแรงๆมาครอบใจเมื่อนิวรนเป็นความฟุ้งซ่านนะเครื่องมืออย่าสู้กับความฟุ้งซ่านคือสมาธินั่นเองวิธีที่จะสู้กับนิวรนเนี่ยไม่ยากอะไร อาศัยสติรู้ความฟุ้งซ่านของจิตมันฟุ้งไปในกามมันอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสนะมันเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะรู้ทันมันหรือมันไม่ชอบปฏิเสธในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสรู้ทันมันมันคิดฟุ้งซ่านรู้ทันมันรู้ทันมันเข้าไปอาศัยสติรู้ทันจิตที่ใจจิตใจที่มันเคลื่อนไหวฟุ้งซ่านไป ความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดอัตโนมัติเหมือนกันนี่เป็นวิธี ท, ทำสมาธิอย่างง่ายๆของคนที่ไม่ชนานาญในเรื่องของชานะอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับเราไม่ต้องไปดับความฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านดับของมันเองเพราะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้ เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะนะเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติไม่เกิดร่วมกันเพั้นถ้าใจเราฟุ้งไปนะเรารู้ทันใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาแต่ธรรมดาใจเนี่ยหนีไปได้ตั้งหกช่องหนีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจหนีไปคิดนึกเลยต่างๆหกช่องทางเนี่ยการที่จะรักษาใจเนี่ยทำได้ยาก เรารักษาอันเดียวนะรักษาอยู่ที่ทวารใจของเรานี่ตาจะเห็นรูปก็เรื่องของตาหูจะได้ยินเสียงก็ช่างมันแต่ถ้าตาเห็นรูปแล้วจิตใจเราก็เพิ่มวันไหวมันจะเคลื่อนออกไปทางตาเรารู้ทันหูได้ยินเสียงแล้วจิตใจก็เพิ่มวันไหวมันจะเคลื่อนไปทางหูเรารู้ทั น, มนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกากระทบสัมผัสนะ จิตมันก็เพื่อมวันไหวมันจะเคลื่อนออกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสอะไร น, นะเรารู้ทันมันอีกใจมันไหลไปคิดแล้วก็มีสติรู้ทันใจที่ไหลไปคิดอีกเรารู้อยู่ที่ใจเรานี่เองอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัตินะอาศัยสติอันเดียวนี่แหละคุ้มครองใจไว้ถ้าสติคุ้มครองใจได้นะศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะเกิดได้ พรสีนสมาธิปัญญาไม่ได้เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายสีนสมาธิปัญญาเกิดที่ใจอันเดียวนี่เองในสมัยพุทธกาลนี่มีเฝ้าหนึ่งนะชื่อพระโปธิละเป็นพระที่แตกฉันพระตรปิดอกรู้ธรรมะเยอะแต่รู้แบบจำไว้เวลาไปเฝ้าพระุทธเจ้าถูกแซวพุทธเจ้าแกล้งแซวเล่นโปทิละโพธิละ แปลว่าใบลานที่ว่างเปล่าคือหนังสือที่ไม่มีตัวหนังสือคือใจที่ปราศจากธรรมะนั่นเองโนท่านว่าเรื่อยๆนะตัวเองก็เป็นอาจารย์ใหญ่คนนั้นท่านก็อายออกไปภาวนาออกไปอยู่ในวัดตามป่าไปหาอาจารย์ใหญ่อย่างยกตัวอย่างอย่างไปหาอาจารย์มหาบัวเลยเนะียสอนก่อนท่านจะสิน้นอาจารย์ใหญ่บอกสอนไม่ไหวหรอก ท่านเก่งกว่าผมอีกผมไม่มีความรู้จะสอนท่านหรอกพระโพธิละก็อดทนนะไปถามพระรองรองลองไปเรื่อยไม่มีใครยอมสอนท่านนะสุดท้ายไปถามเนนเนนบอกผมจะสอนท่านอาจารย์ก็ได้นะแต่ต้องเชื่อฟังผมนะท่านก็บอกท่านยอมเชื่อฟังเนนบอกลุยลงน้ำเลยลุยลงบ่อไปเลยทั้ทั้งที่ใส่จีวรผ้าอย่างดี จีวรเนี่ยเปียกน้าแล้วนะเป็นงานใหญ่ของพระเหมือนกันนะเพราผืนมันโตนี่ท่านก็ใจเด็ดจริงนะท่านก็ลงน้ําจริงลุยลงไปในน้ํำนะพอน้ําท่วมยังไม่ถึงชายจีวรเนนี่บอกให้หยุดเน้นทดลองใจท่านว่าจะเชื่อไม่เชื่ออาจารย์สั่งแล้วเชื่อไมพวกเราใจถึงขนาด น, นั้นไหมไม่ถึงหรอกหลวงพ่อบอกให้พุโทโธแล้วก็บอกหายใจได้ไหมคะ ก็ต่อต่อรองนะก็ต่อรองบวกทํำมาแล้วเท่านี้นะขอเท่านี้ได้ไหมอะไอย่างเงี้ยทาบ้างไม่ทําบ้างได้ไหมจะมีข้อต่อรองเยอะเลยนะพระปทิรัตไม่ต่อรองเลยเนรให้ลุยน้ําก็ลุยจริงๆเลยนะเนรก็บอกหยุดก่อนให้หยุดไม่ต้องลุยล้วเดี๋ยวจีวรจะเปียกท่านทดลองใจเท่านหนึ่งเนรบอกมีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งนะข้างๆตะหลิ่งนี่ยมีรูอยู่หกรูมีเหี้ยตัวหนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ มันเข้าออกได้หกช่องทางถ้าท่านอาจารย์จะจับเี่ตัวนี้นะให้ปิดสะกห้าช่องเหลือไว้ช่องเดียวเรารู้อยู่ที่ช่องเดียวนี่แหละเดี๋ยวเราจะจับมันได้อาจารจะพูดต่ออีกพระโพธิละบอกแค่นี้พอล ะ, ะพอละเข้าใจละช่องเดียวก็คือช่องใจนิ่งตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะความรู้สึกมันจะมาเกิดที่ใจ ตาเห็นผู้หญิงสวยใจมีราคะตาไม่ได้มีราคะหูได้ยินเขาด่าใจมีโทสะมาที่ใจนี้ให้เรามีสติรู้อยู่ที่ใจเนี่ยปฏิบัตินะปฏิบัติกันที่ใจนี่เองถ้าเวลาจะดูความฟุ้งซ่านของจิต้ก็ดูที่ใจทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่ง ทำกรรมาฐานไปแล้วใจเราหนีไปคิดเนี่ยฟุ้งซ่านไปคิดแล้วเรารู้ทันใจมันไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมาฐานเรารู้ทันมันเคลื่อนตรงที่เรารู้ทันใจที่เคลื่อนนี่เรามีเห็นบ่อยๆนะจะเกิดสติต่อไปพอใจเคลื่อนเนี่ยไม่ต้องเจตนานจะรู้เราจะรู้ว่าใจเคลื่อนนะสติเกิดอัตโนมัติขึ้นมาทันทีที่สติรู้ทันว่าใจเคลื่อนใจจะตั้งมั่น ได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมาแล้วเมื่อใจตั้งมั่นแล้วนะก็มาฝึกขั้นสุดท้ายแล้วเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี่เบื้องต้นต้องแยกรูปแยกนามให้ได้เช่นเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายนี้จะไม่ใช่เราทันทีเลยจะแสดงใจรักให้เห็นทันทีเลยแต่ถ้าร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราหนีไปที่อื่นร่างกายก็แสดงใจรักอยู่แต่ไม่มีคนดู เราไม่รู้ไม่เห็นใจรักที่เกิดขึ้นในใกายเพราะเราลืมร่างกายไปจิตใจเราก็แสดงใจรักตลอดเวลาแต่เราใจลอยไปนะเราก็ไม่เห็นใจรักที่แสดงอยู่ในใจเพราะเราลืมใจของเราเองเพราะเราคอยรู้สึกอยู่นะร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูกุศลเกิดขึ้นใจเป็นคนดูโลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูนะ จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงวิ่งไปวิ่งมาใจเป็นคนดูเราเห็นในไเดี๋ยวจิตเขาเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับแล้วมีใจนี่เป็นคนรู้ทันมันจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเห็นธาตุเห็นขันเห็นกายเห็นใจนี้ทํางานไปด้วยไม่จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันของกายของใจนี้ พอเราเห็นใจ ร, รักมากเข้ามากเข้านะจิตยอมรับแรกๆจิตไม่ยอมจิตจะสะทกสะท้านหวั่นไหวเช่นสติระลึกปั๊บลงไปปัญญาเห็นจริงขึ้นมาว่าร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวหรือกาลังนอนอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะแรกๆจิตตกใจเลยว่าตัวเราหายไปไหนรักใคร่หวงแหนถ้าฝึกไปมากๆเข้าจะรู้เลยว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นตัวทุกข์หรอกมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา จิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะของไม่เที่ยงของที่บังคับไม่ได้เห็นซ้าแล้วซ้าอีกนะวันหนึ่งใจยอมรับความจริงร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่เราหรอกไม่มีตัวเราในขันห้านี้ไม่มีตัวเรานอกขันห้านี้อีกกระทั่งในขันหายังไม่ใช่เราเลยนอกขันห้ามจะเป็นเราได้ไงอันเนี้ยถ้าเราใจเป็นยอมรับตรงนี้ได้นะเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันใจจะยอมรับได้ต้องพามันเห็นของจริงบ่อย ดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยเบื้องตอน้นตอนหันนะทํากรรมาฐานอย่างหนึ่งเช่นเอากายเป็นพื้นฐานหรือเอาใจเป็นพื้นฐานไหมแต่ถ้าเอากายเป็นฐานนั้นก็จะเห็นเลยกลายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจอยู่ดีเอาจิตใจเป็นฐานแล้วก็จะเห็นเลยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ใจก็เปลี่ยนนะอาศัยร่างกายนะทำให้จิตใจก็เปลี่ยนได้ก็สุดท้ายก็เห็นทั้งกายทั้งใจนะ เจะเห็นทั้งกายก็บางทีสติระลึกลงไปที่กายก็เห็นกายแสดงใจลักษณทีสติระลึกลงที่ใจก็เห็นใจแสดงใจลักเราเห็นอะไรในการทํำวิปัสสนาเราไม่ได้เห็นกายเห็นใจอย่างเดียวแต่เราเห็นไตรลักษเห็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละคือเห็นไตรลักษแต่ไตรลักแสดงที่กายบ้างที่ใจบ้างแล้วแต่สติจะไประลึกรู้กายหรือรู้ใจสติรู้กายก็เห็นกายแสดงใจลักสติรู้ใจก็เห็นใจแสดงใจลักษเห็นนั่นเดียวกัน ไม่มีสายไหนสายไหนนะในขั้นวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าสติจะรู้กายหรือสติจะรู้ใจเพราะฉะนั้นไม่มีควาว่าสายไหนสายไหนอีกแล้วสายกายสายจิตเลยเนี่ยแค่นั่นเอาไว้หัดเบื้องต้นเท่านั้นเองนะเหมือนพอสติสมาธิปัญญามันทำงานเป็นแล้วเนี่ยไม่มีสายไหนสายไหนอีกต่อไปแล้วนะถ้าอารมณ์ทางร่างกายมันแรงสติก็รู้กายถ้าอารมณ์ทางใจมันแรงสติก็รู้ใจ รู้แล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เขจะเห็นไจรักณ์ของกายของใจเห็นมากเข้ามากเข้านะจิตยอมรับเพราะว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้ใจรักษะสิ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นเลยไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเป็นอมตะไม่มีเลยนี่พอเห็นอย่างนี้ได้นะจะได้พระโสดาบันเห็นต่อไปอีกไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นนะมันแท้จริงแล้วไม่ใช่ตัวเราแล้ ว, ลวมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ จะเห็นในร่างกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์จิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์นะพอเห็นทุกข์แล้จิตก็ไม่เอาแล้วไม่ยึดถือแล้ะไม่รักใครห่หวงแหนที่แรกจิตจะอยากหนีไปให้พ้นแล้วก็หนีไม่ได้เพราะเราหนีไปอยู่ที่ไหนนะเราก็เอาร่างกายเอาจิตใจไปด้วยร่างกายเป็นตัวทุกข์จิตใจเป็นตัวทุกข์เลยไม่มีที่จะหนีเลยสามโลกธาตุนี้ไม่มีที่ให้ไปละนะมีแต่ทุกข์ร่างนั้นเลยเพราะทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราเองนี่เอง ใจมันแจ้งนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลนนยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตจะสลัดคืนกายให้โลกไปเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะสุดท้ายจิตจะรวมลงที่จิตปัญญาขั้นสุดท้ายแทงทะลุลงมาตัวจิตนี้แหละเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนะจิตแทงทะลุตัวนี้จิตจะสลัดคืนจิตให้โลก ครานี้จะเกิดจิตชนิดใหม่นะหลวงปูดุลว่าจิตก็ไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตมันเป็นจิตนั่นแหละคือมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เพราะจิตนั้นมีนิยามว่าคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตพระอรหันต์ก็ยังเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่มันไม่มีลักษณะเหมือนที่เคยเป็นไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่ถูกอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรย้อมได้ แต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมมนะีเมื่อวานี้มีพระมา ถ, ถามบอกว่าบางคนสอนว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงนั้นเป็นฮินดูนะจิตพระลรหันเองก็ยังไม่เที่ยงเหมือนกันนะเพราะอะไรจิตบางดวงของพระละหันนะมีสมนัตเวทนามีความสุขบางดวงมีอุเบกขาวเวทนาจิตบางดวงนะมีปัญญาประกอบด้วยปัญญาจิตบางดวงไม่ได้เดินปัญญานะรู้สึกตัวอยู่เฉย แลจิตก็ยังมีความเปลีป่ยนแปลงแต่ว่าจิตนี้มีลักษณะร่วมกันทุกๆดวงก็คือไม่มีอะไรปรุงแต่งได้นี่พอไปเห็นลักษณะร่วมบางตัวก็เลยสำคัญผิดว่าจิตเที่ยงนะเพราะว่าทุกตัวเหมือนกันเหมือนกันบางด้านต่างกันบางด้านนะถ้าสติปัญญากแก่กล้า พ, พอก็จะเห็นนะนี่ก็ครองขันไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งขันแตกขันดับจิตนั้นมันทรงกับ รวมเข้ากับมหาสุญญาตารวมเข้ากับธรรมอะไรเรียบร้อยตั้งแต่บรรลุพระอรหันต์แล้วขันจะแตกขันจะดับก็ส่วนของขันไปไปฝึกเอานะฝึกเอาในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ดีแล้วละ่นะเหลื อ, อแต่ทําเอาตอนนี้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนะมีกายมีใจที่สมบูรณ์มีศรัทธาได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมไปลงมือทําเอา ก็ลงมือทำแล้วก็รู้ด้วยตัวเองแล้วเห็นผลด้วยตัวเองกนะ็พ้นทุกขด้วยตัวของเราเองเห็นผลแล้วก็มีหน้าที่บอกต่อไปรักษาสืบทอดศา ส, สนาไปนะใครจะมารักษาศา ส, สนาให้เราไม่ได้หรอกเราต้องช่วยกันรักษาเองนะชาวพุทธต้องรักษาเหมือนคนไทยก็ต้องรักษาประเทศไทยนะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะตอนนี้ไปทำหน้าที่กินข้าวไปนะเป็นภาระนะ ใครรู้สึกกินข้าวเป็นภาระัง้ง<ม>ไปไปทำภาระนีย